ดดดเหมือนกับเราต่างคนยังเดินล้องทาย ให้ฉันต้องรอเธออีกนานกี่ลมหายใจ Yeah แต่ว่าฉันก็รู้สึกที่ไหนสักที่หนึงเราต้องได้เจอกันต่อให้เป็นนาทีเดียวในตอนสุดท้ายก็ตามเพื่อได้มาเจอคนที่เราก็คุ้มที่จะรอ เดินเชียดกันทุกวันเธอกับฉันอาจนั่งห่างกันแค่นิดเดียวเหมือนไ mm hmm. ม่มีอะไรให้เราคล้องเกี่ยวสิน้นนาทีที่ไปอได้สุดตาฉันมองเห็นเธอในความเงา mm hmm. ทุกลมหนาว เก็บคัม่ารัก จะรอรอก็คุจะเจอรอต่อให้ฉันต้องรอเธออีกนานกี่ลมหายใจแต่ว่าฉันก็รู้สึกที่ไหนสักทีหนึ่งเราต้องได้เจอกันต่อให้เป็นนาที ฉันรู้สึกได้สักทีเราต้องได้เจอกันต่อให้เป็นนาทเดียวมีตอนสุดท้ายก็ตามเือได้ออมอเจอคนที่รักก็คุ้มที่จะรอ